เหนื่อยไหมใครไม่เหนื่อยบ้างยกมืออ๋อใครเหนื่อยแต่หายแล้วยกมือใครเดินไปเนี่ยเมื่อกี้นี่นะใครเดินแบบธรรมยาตราบ้างยกมือใครเดินแบบโลคกญะาตราบ้างยกมือ สารภาพมานะโลกระยาตาใช่ไหมเดินแบบใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยใช้ได้นะเดินฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใช้ได้เดินแล้วเม๋อรู้ว่าเม๋อก็ใช้ได้แสดงว่าตอนนั้นมีทมอยู่บ้าง อาตมาเนี่ยนะมาที่นี่ก็จะนึกถึงบ้านบ้านอาตมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองเป็นคนบางประกงใครใครเป็นคนร่วมจังหวัดบ้างมีไหมอาตมาเป็นคนฉะฉะเชิงเซาไม่มีเลยบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะ ขอเล่าประวัติสักนิดหนึ่งอยากรู้ประวัติไหมวันนี้ไม่เล่านิทานเล่าประวัติด้วมับ้านอ่ตมาเน้นะเป็นบุญของอาตมาอย่างหนึ่งคือเกิดมาในบ้านที่ที่เขามีมีคนทำกรรมฐานอยู่บ้านอตมาเนี่ยจะมีมีแม่ครัว บ้านจ ะ, จะว่าอวดฐานะประเกินไปป่ะมีแม่ครัวทำอาหารเน่นะเขาตื่นตั้งแต่ตีสี่ตอนตื่นตีสี่ก็เข้ามาก็แกลกแกกในครัวเนี่ยนะห้องนอนจะมาอยู่ติดครัวจำเป็นต้องตื่นตื่นมาแล้วก็ลุกไปฉี่รู้จักฉี่ใช่ไหมเพราะนอนกัางคืนมาทั้งคืนแล้วก็พอตื่นมาก็ปวดฉี่ก็ ลุกไปฉีลุกขึ้นมาเนยนะห้องนอนจะมาอยู่ริมน้ําห้องห้องนอนแล้วก็มีห้องห้องว่างๆห้องหนึงเป็นห้องสําหรับเดินผ่านแล้วก็เป็นห้องคุณตาหน้าต่างเนี่ยนะจะเป็นหน้าต่างแบบเลื่อนนะ่ะเคยเห็นแม่บ้านแบบโบราณมากเลยนะเลื่อนเนี่ยพอเลื่อนปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดเป็นช่องช่องช่องช่องพอเลื่อนปิดก็ปิดตุกๆช่องไปอย่างเงี้ย ลมเย็นสบายนอนนอนสบายลุกขึ้นมาเนีนะคุณตาเนี่ยมันนั่งสมาธิอยู่ละตอนตีสี่เห็นอย่างนี้เป็นประจำเลยแต่ไม่เคยคิดเอาอย่างเลยตอนนั้นนะแต่ชื่นชมคุณตาแต่ยังไม่คิดเอาอย่างมาคิดอีกทีหนึ่งตอนที่อยากจะเก่งอย่างคุณตาบ้าง เวลาเล่นกันนะนะเด็กขนาดเนี้ยเล่นกันเล่นกันเนะี้ยจะเล่นแบบมีแปลงกายเหมือนอย่างเงี้ยเล่นเป็นสไปเดอร์แมนนี่นะมีแปลงกายสมัยนะั้นยังไม่มีสไปเดอร์แมนเล่นอะไรยอดมนุษย์ไอ้มดแดงใครทันบ้างทันไห ม, มอุนตา้าแมนอะ่ะแล้วก็ไอ้มดแดงมีมีการแปลงกายมีหน้ากากเสือด้วยแต่หน้ากากเสือเอามาไม่ยอมเป็นรู้สึกเป็นอะไรไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ยอดมนุษย์นะนะมันมีปล่อยแสงตั้งต้นแขนไอ้ต้นแขนได้ด้วยไอ้มดแดงก็ตีลังกาเตะอะไรเก่งมากเลยแล้วพอเล่นกับเพื่อนอยู่คักครั้งหนึ่งนะเพื่อนก็จะเป็นไอ้มดแดงไอคนนี้ก็จะเป็นยอดมนุษย์มันเอาไปแล้วแล้วเราจะเป็นอะไรดีมันก็ถามเราว่าเราจะเป็นอะไรเราบอกว่าเป็นหลวงปู่แหวน ไม่รู้พูดไปได้ยังไงนะเห็นคุณตานั่งสมาธิอ่ะแล้วคุณตาก็ไปไปวัดหลวงปู่แหวนไม่พาเราไปด้วยนะแล้วก็ไปเช่ารูปบูชาหลวงปู่แหวนที่ใส่แว่นอ่ะอาตมาไม่ได้เรียนแบบท่านนะก็เห็นว่าหลวงปู่แหวนเนี่ยแล้วหลวงหลวงปู่แหวนเนี่ยคุณตาบอกว่าเป็นพระอรหันพอบอกอรหันเนี่ยนะไม่รู้ไปเรียนจับนี้มาจากไหนแล้วรู้สึกว่าวิเศษมากเลย เป็นพระอรหันต์วิเศษมากเลยวิเศษกว่าไอ้ยอดนันท์แล้วก็ไอ้มอดแดงอีก <laughs> แล้วมันก็จะสู้กันเอ้เราจะสู้ยังไงดีวะ <laughs> <laughs> จะเป็นลูกปู่หลวงปู่แหวนจะสู้ยังไงเรา <laughs> บอกให้สู้ไปก่อนพระพระจะนั่งสมาธิ <laughs> <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าอยู่บนภูดูเสือกัดกันอันนี้นดูไอ้สองคนนั้นมันกัดกันเราก็ นั่งดูเฉยๆเรารู้สึกว่าเป็นพระไม่ต้องไปสู้กับเขาตอนนั้นนะมันไม่รู้ใครสอนมันนึกขึ้นมาว่าเป็นพระไม่ต้องไปสู้กับเขาอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันต่อยกันแตกแล้วมันจะมาไหว้พระเองพอแต่พอตอนวัยรุ่นนะก็ลืมพอวัยรุ่นนี่ก็หลงโลกไปลืมมันนึกได้อีกทีว่าพอกลับบ้านกลับบ้านเนี่ย บางมากงเนี่ยนะเวลาใครจะบวชสักทีเนี่ยนะเขจะแห่รอบตลาดเลยแถวบ้านโยมมีแห่นาคมังนะ้งไหมแห่รอบตลาดเลยนะใครรวยหน่อยเนี่ยเอาช้างมาเลยนะมีกรองยาวบางคนบางบ้านก็ใช้สิงโตแห่รอบตลาดบางทีแล้วก็วิ่งไปดูเวลาเขาตีกรองสิงโตดังดังๆเนี่ยนะกลัววิ่งกลับบ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งมัน บวชกันมากกันแล้วจนรู้สึกเฉยๆแล้วไม่ไม่วิ่งไปดูละบอกพ่อว่าพ่อถ้ากิจบวชนะ เ, เวลาอยู่บ้านเนะีเรียกตัวเองว่ากิจถ้ากิจบวชนีนะไม่แห่อย่างนี้นะไม่เอารู้สึกว่าไม่เข้อท่าไม่ชอบอยากบวชเงียบๆ <laughs> อยากบวชเงียบๆแล้วพอทํางานเรียนจบแล้วทํางาน ทำงานแล้วก็คิดจะบวชอยู่แต่มันเรียนจบแล้วก็ทำงานเลยก็เลยไม่ไม่มีเวลาว่างพอจะไปบวชพอทำงานแล้วก็อยู่บริษัทที่เป็นบริษัทลูกแล้วก็เขาจะยุบบริษัทลูกไปอยู่กับบริษัทแม่โดยโด ย, โดยที่โอนพนักงานเข้าไปด้วยก็เลยใช้โอกาสตัวนี้ว่าเราออกจากบริษัทโดยที่บริษัทไม่ไม่กระทบกระเทือน ลาออกเลยผู้จัด ก, การก็บอกว่าไม่ต้องลาก็ได้เดี๋ยวจะให้อะไระใช้สิทธิพิเศษเพราะว่าปกติแล้วทํางานถ้าเวลาไม่ครบเนี่ยนะเขาไม่ให้ลาถึงสเดือนเราบอกว่าขอลาไปบวชเขาบอกบวชได้เดี๋ยวทาเรื่องให้บวชเดือนหนึ่งใช่ไหมไม่จะเอาพรรษาคิดอย่างนั้นนะถ้าบวชแล้วจะต้องเอาพรรษาแต่ไม่คิดถึงขนาดบวชตลอดชีวิตบวชแค่ว่าถ้าดี ก็จะอยู่ต่อถ้าไม่ดีก็ออกพรรษาแล้วศึกมีก็เริ่มีมกําหนดเวลาประมาณแค่นี้ผู้จัด ก, การก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมทําเรื่องพิเศษให้เรื่องพิเศษก็คือลาได้สามเดือนในใจก็คิดว่าถ้าเขาทาเรื่องพิเศษให้ลาให้สามเดือนเนี่นะพอเราอยู่สามเดือนก็ต้องศึกมันไม่ได้ดังใจที่ว่าถ้าดีแล้วจะอยู่ต่อนี่เงินขมันเยอะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว ถ้าผมอยู่ไม่ได้สึกออกมาเดี๋ยวผมหางานใหม่เองไม่เป็นไรขอลาออกก็มาบวชเลือกที่บวชทีแรกเนี่ยไปดูวัดตอนนั้นนะเป็นเป็นคนที่ไม่รู้จักพระพระที่รู้จักนะ น, นะมีอยู่สององค์คือหลวงปู่แวนท่านสิ้นไปแล้วไงที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีหลวงพ่อปัญญา รู้จักเพราะว่าเห็นในทีวีอีกองคหนึ่งคืออาจารย์พยอมดังๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่อาจารย์พยอมเนี่ยในใจรู้สึกว่าท่านคงสอนกรรมฐานเราไม่ได้ไม่ใช่ท่านไม่เก่งนะแต่ว่าท่านคงสอนกรรมฐานเราไม่ได้หลวงพ่อปัญญาห น, น้าจะสอนได้ก็ไปไปติดต่อที่วัดชนประทานไปติดต่อเสร็จปรากฏว่าทางวัดเนี่ยเขามีโคตาคนจะไปบวชเนี่ยเยอะมากเขามีโคตา พอได้ยินคำว่าโคต้านะแล้วสุดทำํำไมจะบสต้องมีโคต้าด้วยก็เลยออกมาเพื่อนก็บอกว่ามีอีกวัดหนึ่งนะอยู่ในสวนลองไปดูวัดนี้ดูสิแล้วบอกชื่อวัดมาวัดสังฆทานก็เดินเดินทางไปตอนนั้นต้องไปนั่งเรือหางยาวแล้วไปขึ้นวัดริมฝั่งแม่น้ําแล้วต้องเดินตัดสวนเข้าไปไปถาม พระเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมาติดต่อเรื่องบวชครับจะต้องทำอะไรบ้างครับพระเจ้าหน้าที่ก็ดีมากเลยจะมาบวชเหรอได้เลยบวชวันนี้ก็ได้มาบวชเป็นผ้าขาวก่อนนะเดือนหนึ่งแล้วก็บวชวันนี้เลยโกนผมวันนี้เลยด้วยความที่มันง่ายมากอนะธรรมาปฏิเสธไม่ทันแล้วบอกว่า อ, อาจารย์ครับอาจารย์ครับ ผมขอเวลาเจ็ดวันปัดบอกปัดได้แค่เจ็ดวันดูพรนึกออกเดินออกมาจากวัดได้นะนึกเจ็บใจตัวเองทําไมกูไม่บอกปฏิเสธไปสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยเนะแล้วนึกได้ว่าตายแล้วเจ็ดวันจะทําอะไรดีเจ็ดวันเนี้ยนึกขึ้นได้ว่างั้นต้องกลับกลับมาบามากงนี่แหละมาลาพ่อลาแม่บอกญาติต่งตางๆว่าอีกเจ็ดวันเนี้ยจะไม่เป็นคนและ้ะ <laughs> ถูพระหลอกให้บวชก็เลยครบเจ็ดวันก็มาบวชมาบวชนี่นะก็อยากจะดีพระดีในความรู้สึกของเราก็คือพระต้องต้องทำกรรมฐานเราก็ฟังครูบาอาจารย์สอนมาแต่ทำผิดทำผิดโดยไม่รู้ตัวตอนทำเนี่ยนะใช้วิธีเพ่งเพ่งไปที่ลม เพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งจนจนมันหมดความรู้สึกใครเคยบ้างไหมเพ่งไปเพ่งไปเพ่งไปนะนะมันหลับหมดแรงแล้ววันไปหลับอวันที่เข้าประชุมพระพระวัดสังกทานเนี่ยเป็นร้อยเลยนะนั่งกันที่ศาลาหลวงโตเนี่ยนั่งสมาธิตอนทำวัดเย็น สวดมนต์ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิห่1ชั่วโมงพอ1 น, นชั่วโมงนัเพ่งเพ่งเพ่งหมดแรงเพ่งนี่นหลับไอตอนหลับเนี่ยหงายปึง่งแต่ดีอย่างหนึ่งว่าเขาผิดไฟได้ยินเสียงดังพึ่งท่านั้นเองเขาไม่รู้หรอกว่าใครยกเว้นองค์ข้างๆนี่คือทำผิดคือไปเพ่งจนหมดแรงแล้วก็หลับ เอาใหม่ท่านว่านั่งสมาธิให้ดีๆนะทำทำสมาธิดีแล้วจะเกิดปัญญาไม่รู้ใครพูดแต่รู้สึกความเข้าใจตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำยังไงดีให้ให้มันสงบนึกว่าจะต้องสงบให้ได้ก่อนนะมันนั่งกำหนดไปแล้วไม่สงบก็เลยทำเคลิมคล้มๆเคยทำไหมใครเคยทำบ้าง ทำเคลิมเคลิมลืมลืมปลืม้มพลืมเฉมฉมช้ำชทำเหมือนเหมือนอะไรถ้าคนก็ดูออกก็คือนั่งนั่งเคลิอมอะนั่งเคลิม้มมันกึ่งหลับกึ่งตื่นถามว่ามีสติไหมไม่มีไม่รู้เรื่องเลยเกิดปัญญาไหมไม่เกิดแต่เข้าใจว่าขณะนั้นอะดีมากเลยตอนนั้นนะรู้สึกว่าถ้านั่งได้อย่างนั้นนะวันนี้นั่งได้ดีมากสงบ ถ้าทำอย่างเงี้ยเป็นสิบสิบปีสิบกว่าพรรษานะจึงจะมาได้ยินหลวงพ่อประโมทพูดถึงวิธีการเจริญสติแล้วพระท่านก็บอกว่าไม่ใช่มีแค่ซีดีนะมีหนังสือด้วยสนใจอยากจะอ่านหนังสือพระท่านก็หยิบหนังสือให้เล่มหนึ่ง ชือหนังสืออันนั้นคือวิถีแห่งความรู้แจ้งมาอ่านตอนนั้นก็อาตมาทํางานอยู่ในโรงพิมพ์ก็จะมีห้องที่เป็นห้องทํางานมีพระนั่งอยู่หลายองค์นั่งอ่านไปอ่านไปอ่านไ ป, นไปจนถึงตอนที่หนังสือเขียนถึงว่าที่ว่ารู้รู้ยังไงเคยอ่านไหมหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้งน่าจะมีอยู่ อยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านอธิบายว่าที่ว่ารู้นะ่ะรู้ยังไงก็อ่านรู้คือไม่ใช่ไม่รู้นะหลวงพ่อก็เขียนแงอยู่แล้วอ่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้ <c oughs> ก็คือรู้คือไม่เผลอรู้คือไม่เผลออ่าโอเครู้คือไม่เผลอใ ช, ใช่ใช่่อ่านไปมาอีกการหนึ่งรู้ไม่ใช่คิดใช่ไหมใช่รู้คือไม่ใช่คิด ถ้าเผลออยู่คือมีกายอยู่ก็ไม่รู้มีใจอยู่ก็ไม่รู้คิดก็คือรู้เรื่องอื่นรู้เรื่องรู้เรื่องที่คิดกายนั่งอยู่ก็ไม่รู้ใจกำลังเผลอคิดก็ไม่รู้สิ่งที่คิดนั้นจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่แน่และส่วนใหญ่ไม่ค่อยจริงใช่ไหมคิดว่าจะทำไอ้นั่นคิดว่าจะทำไอ้นี่คิดว่าคนนั้นดีคนนี้ร้ายยังไม่แน่ใช่ไหม คิดไปคิดมาสิ่งที่คิดเชื่ อ, อยังไม่ได้แต่ที่จะรู้ได้ก็คือกิเลสที่เกิดขึ้นในใจคิดแล้วโกรธความโกรธเกิดขึ้นจริงแต่ไอคนนั้นเลวจริงแล้วยังหรือเปล่าเนะี่ยยังไม่รู้คิดแล้วคนนี้ดีจังคนนี้สวยดีเขายิ้มให้เราเขาคงจะรักเรารักหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่เรารักเขาแล้วเน่จริงนั้นคิดยังไม่ใช่แล้วท่านก็เขียนไปอีก รู้รู้ไม่ใช่กาหนดคราวนี้งงเลยตอนนั้นนะ่ใช้ตัวนี้เต็มเต็มเลยรู้ไม่ใช่กาหนดเพราะอ่านตัวนี้เนี่ยปิดหนังสือเลยอ่านต่อไม่ได้กลัวพระข้างๆเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยคำเนี่ยมันเป็นคำแสลงมากเลยอะรู้ไม่ใช่กําหนดเนี่ยนะมันมันรู้สึกว่าจี๊ดเข้ามาในใจเลยว่าอ่านตัวนี้ไม่ได้ถ้าอ่านตัวนี้แล้วรู้สึกว่า จะเสียสมาธิมันต้องคอยระแวงองค์นู้นองนีงง้เนี่ยนะปิดหนังสือขึ้นห้องนอนไม่ใช่ไป น, นอนนะไปอ่านเนี่ขออ่านคนเดียวอ่านแบบเปิดใจอะยอมรับว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี่อาจจะผิดก็ได้ขออ่านขออ่านที่ในหนังสือบรรยายเนี่ยว่าที่ว่ารู้ไม่ใช่กําหนดเนี่ยทําไมถึงเป็นอย่างไงก็บรรยายไป ใครทบ้างกัไปดูนะรู้ไม่ใช่กาหนดกาหนดคือมาจากภาษาอะไรภาษาเขมรแปลเป็นไทยอีกทีว่าแปลว่ากฎมันเป็นอาการคือว่ามันไม่ใช่แค่รู้มันไปตามสัมทับอีกครั้งหนึ่งเราเคยไม่ว่ามันจะมีคำภาคคำบรรยายคำบรรยายตามหลังเพ้อ รู้ว่าเผลอก็พอแล้วนะมันยังมีเผลอหนอคิดก็รู้ว่าคิดพอแล้วมีคิดหนอเหยียดมือไปเนี่ยตอนนี้ยังพอได้ว่ามันมันรู้ไปทันทีได้แต่ตอนดูดนมามธรรมเนี่ยนะมันจะมีคำภาคไอ้คำภาคมาทีหลังเนี่ยเรียกว่าเป็นการกาหนดกดซ้ำไปทีหนึ่งไอ้ตอนกาหนดไปทีนะถ้ารู้ว่ากาลังมีคาบรรยายหรือมีการทาสมถะ ยังพอรู้ยังพอใช้ได้แต่ถ้าทําอยู่นั้นแล้วคิดว่าไอ้ที่ทําอยู่นั้นอ่ะกําลังทำํำวิปัสสนาแล้วก็เป็นทางสู่ความพ้นทุกข์นะใช้ไม่ได้เข้าใจไหมรู้คือรู้ไม่ใช่กําหนดโอเคพออ่านนี่เออเข้าใจละดูข้อต่อไปรู้ไม่ใช่เพ่งตายละ ว, ว่ะมันเป็นยังไงเอา อ, อ่านต่อถ้าเพ่งเนี่ยจิตใจมันจะไม่ ไม่ปกติไม่ธรรมดามันจะแข็งแข็งแน่นๆ่นหนักๆนักเคยเพ่งไหม <S <S เพ่งไม่ไม่เผลอเลยเนี่ยนะมันจะมีการออกแรงจิตใจขณะนั้นไม่ปกติถ้าผิดปกติก็จะไม่เห็นของจริงไ ไ, ไหมแล้วพอหมดแรงเพ่งนะก็จะหลับเหมือนตอนอัตมาพรรษาแรกหมดแรงรู้ไม่ใช่น้อม ใขรน้อมบ้างมันก็เหมือนกับตอนที่อาตมาหลายหลายปีหลังมาเนี่ยคือน้อมใจให้เหมือนกับว่าให้หายปจากโลกนี้ดูเหมือนสงบนั่งนั่งแล้วก็ไปว่างๆเฉมเม น, นนะน้อมไปน้อมให้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยแล้วก็ไปอยู่ในสิ่งที่เหมือนว่างๆเงียบๆอันนี้เรียกว่าน้อม ไปอยู่ในความว่างน้อมไปอยู่ในความสงบแต่จริงๆไม่ได้เรื่องไม่ใช่เป็นสมถะที่มีมีอะไรไม่ใช่สมถะที่ถูกต้องด้วยเป็นสมถะที่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านเรียกก็เป็นสมถะที่ไม่ได้เรื่องเพราะนั้นที่จะรู้ที่จะรู้นะคือรู้เฉยๆทำใจเป็นปกติ จิตใจปกติเนี่เรามีอยู่แล้วแต่เราไปทาให้มันผิดปกติไปเองแล้วตีค่าของการปฏิบัติเนี่ยผิดไปเองเราเข้าใจว่าการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่าง น, ง น, างนี้แล้วก็ไปตั้งท่าเออมีอีกอข้อนึงรู้ไม่ใช่ตั้งทารู้วันนี้หลวงพ่อก็เทศใช่ไหมถ้าตั้งทารู้คือก่อนจะรู้ก็ไปตั้งทารู้งนี้ใช้ไม่ได้มันเป็นการแกล้ง จิตใจขณะนั้นก็ผิดปกติตั้งท่าพอตั้งท่าเนี่ยนะกิเลส ท, ที่เคยมีมันก็หดหัวไปไม่เห็นมันเป็นการตั้งท่าจ้องมองดูเนี่ยนะมันเหมือนจะมันเหมือนจะดีคล้ายๆกับว่าเรากําลังคิดว่าจะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแต่ตอนนั้นเนี่ยหลุดจากการปฏิบัติแล้วเป็นขนาดมาเรียนกับหลวงพ่อนานหลายปีแล้วนะ น่าจะเป็นเมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยมีพระมามาถามอาตมาไปไปฟังธรรมแล้วก็ข้างหลังข้างหลังศาลาเนี่ยก็จะเป็นที่ล้างบาทอาตมาก็จะไปแปรงฟันที่นั่นพอแปรงฟันพระที่นั่นพระที่สวนสนิธรรมน่ยก็ทักบอกท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ยังภาวนาง่ายอยู่ไหมเพราะว่าหลวงพ่อเคยชม ผมพ่อเคยชงไว้ว่า อ, อาจารย์จิตจะภาวนาง่ายชมรับหลังหนะาตมาไม่อยู่ตอนนั้นแล้วท่านก็มาถามถามว่าเป็นยังไงท่านอาจารย์ยังภาวนาง่ายอยู่ไหมพอพระท่านถามนะแตมานึกได้เออใช่เรายังไม่ภาวนาเลยยังไม่ได้ภาวนาเลยงั้นนึกในใจขอบคุณท่านมากเลยที่มาเตือนว่าถามว่าภาวนาง่ายอยู่ไหมก็เลยโอเคครับตอบท่านไปนะเออผมยังไม่ได้ภาวนาเลย แล้วก็เลยตั้งใจภาวนากลับมาที่ศาลาพอหลวงพ่อมาคุยกับพระหลวงพ่อชี้เลยอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับผิดแล้วครับที่ทําอยู่ในผิดครับเราก็ว่าเราจะโชว์ท่านแล้วนะว่าเราภาวนาเรากําลังตั้งใจภาวนานะท่านทักเลยว่าผิดแล้วครับเคยไหมแล้วกำลังเป็นอยู่ไหม <c oughs> คิดจะภาวนาน呐ะ มันจะตั้งท่าตั้งท่าจะทํามันไม่ใช่รู้เฉยเฉยมันไม่ใช่แค่รู้เจริญสติคือรู้รู้ไปเลยถ้ารู้กายเนยรู้ไปเลยถ้ารู้จิตคือแงะรู้ไปเลย <c oughs> อาจารมามีศัพท์เฉพาะอยู่นะ <c oughs> แง่รู้เนี่ยเป็นคําแง่เนี่ยเป็นภาษาบามกระ <c oughs> มงเรียนมาเรียนบางประมงต้องใช้ภาษาแง่หน่อยนะรู้จักคําว่าแง่ไหมรู้ไหม สไปเดอร์แมนรู้จักเขาว่าเขาว่าแงะไหมเคยแงะไหมแงะก็คือหันเป็นมองนิดหนึ่งหันมามองนิดนึงถ้าอย่างงี้เรียก ว, ว่าเหลียวหันไปมองนานๆนี่นเหลียวเหลียวแล้วเพ่งจ้องเข้าใจหแต่แงะนิดนิดหนึ่งแงะไปดูนิดเดียวพอมันแงะไปนิดหนึ่งยังแงะซ้ายแงะขวาก็ได้แต่พูดที่บางมางกงได้นะไปพูดที่นครสวรรค์ก็บอกแงะนี่เป็นอาการของควาย โอ้เาะ่ะนั้นจะไปนครสวรรค์ต่อไปจะไม่ใช่คาว่าแงะแล้วมันเหลียวไปดูนิดนึงอเหลียวแล้วนะมันเหลียวแล้วมันเหลียวไปดูนิดนึงนิดเดียวพออย่าไปจ้องที่ว่าต้องเหลียวคือจิตเนี่ยมันเกิดดับทีละขนาขณะที่เผลอไปเนี่ยมันไปรู้อารมณ์นู้นไปแล้วมันรู้ตัวเองไม่ได้มันรู้อย่างอื่นไปแล้วเนี่ยให้มันดับไปก่อน ซึ่งมันก็ดับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะดับไปแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาทันทีแล้วไม่ต้องให้ไม่ต้องเร่งให้มันเกิดมันเกิดดับเป็นปกติของมันอยู่แล้วจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับไปประมาณอย่างนี้นะแต่อารมณ์ของเราเนี่ยมันรู้ข้างนอกรู้เดินไปนี่ก็รู้ต้นไม้รู้รถรู้รถตู้จอดเนี่ยจอดรับเราหรือเปล่าอะไรประมานี้มันรู้อย่างอื่นนะ เดินถือไอ้ไส้หมูไปก็ดูแกว่งไปใจลอยบางทีก็ไม่ได้ดูแว่งไปนะแล้ไม่ดูไส้หมูเราก็ใจลอยเป็นไหม <laughs> เป็นงานหรือเปล่า <laughs> เดินไปคุยไปคุยเรื่องราวนู้นเรื่องนี้นึกถึงเรื่องที่คุยไม่รู้เลยว่ากําลังคิดอยู่ <laughs> กําลังหลงอยู่ <laughs> กายกําลังเดินอยู่ <laughs> กําลังเคลื่อนไหวไม่เห็นกายใจเคลื่อนไหวอยู่ไม่เห็นใจที น, นี้ไม่ได้สักคะแนน <laughs> มันไปถึงไหนแล้วทำไมกลับมาตรงนี้อ๋อแงะ <laughs> ที่แงนั่นก็คือว่าจิตเนี่ยมันเสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปเป็นเห็นไใ้จิตดวนึงเสวยอารมณ์แล้วกรดับเป็นอย่างนี้เป็นต่อนเนื่องไปเรื่อยๆเนยนะตอนที่มีสติเนี่ยคือเห็นจิตที่เมื่อกี้เผลอจิตที่เผลอคือไปคิดมันรู้นู่น ร, รู้นี่นะนะแล้วดับจิตที่มีสติคือแทนที่จะไปรู้ข้างนอก มารู้ไอ้เมื่อกี้นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจิตเมื่อกี้นี้เผลอไปเห็นลุงวุ๊ชแล้วก็เกิดอะไรดีเกิดราคะไหวไหมเนี่ยดูทำหน้าย่นเลลุงวุ๊ชคิดว่าไงเนี่ยบอเกิดราคะแล้วหน้ายน่นเกิดชอบใจก็ลุงวุ๊ชยิ้มสวยราคะไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียว ไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะเห็นแล้วอยากไปคุยด้วยนี่ก็เป็นราคะเห็นแล้วอยากจะไปทําความรู้จักอยากเข้าใกล้เป็นราคะไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะแค่อยากเห็นแล้วอยากน้อมอารมณ์นั้นมาใกล้ๆหรือเราอยากเข้าไปใกล้อารมณ์นั้นเป็นราคะถ้าเห็นแล้วอยากจะผลักออกไปหรือเราอยากจะหนีออกมานี่ก็เป็นโทสะเพราะฉนั้นเห็นมุขแล้วมีราคะได้ไหมอยากเข้าไปใกล้อยากเข้าไปขอไอ คิปที่เปิดเมื่อบ่ายเนี้ยประมาณนี้ยนะอยากจะเข้าไปหาเกิดราคะขึ้นมาตอนที่เห็นลุงบุฒิเนี่ยจิตเผลอออกไปข้างนอกรู้ไปข้างนอกแล้วเกิดราคะแล้วก็ดับจิตดวงใหม่ถ้าไปเห็นลุงบุฒิอีกขณะนั้นก็คือจิตส่งออกยังไม่รู้ตัวแล้วก็ดับแต่ขณะใ ด, ดที่เกิดไปเห็นลุงบุฒิแล้วเกิดราคะ ดับไปนะจิตมันก็ดับเป็นปกติจิตดวงใหม่แทนที่จะไปเห็นลงุงวุฒิแงะมาดูหน่อยนี่ต้องใช้แงะอีกทีแงะมาดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตจิตเมื่อกี้นี้ไหลไปเลยนะดับไปแล้วนะจิตดวงที่ดับไปเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ของจิตปัจจุบันจิตปัจจุบันนี้จึงเรียกว่าเป็นจิตที่มีสติพอจะเข้าใจไหมเ <laughs> ข้าใจเขาว่าแงะแล้วนะทีนี้ ปกติแล้วเนี่ยเราเคยชินที่จะไปรู้ข้างนอกเราเคยชินที่จะไปรู้ข้างนอกนะความเคยชินที่จะมาแงะดูจิตเมื่อกี้เนี่ยเรายัางไม่ยังไม่ค่อยมีต้องฝึกต้องฝึกนะจิตที่รู้ข้างนอกไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นจิตที่เราทําเป็นปกติคนทั่วไปไม่ต้องฝึกเขาก็ทํากันอยู่รู้คนนู้นรู้รคนนี้รู้รูปรูกสามีรู้ภรรยาเห็น สิ่งที่เป็นความคิดอะไรต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยเห็นเป็นปกติอยู่แล้วแต่จะมาดูกายปัจจุบันไม่ก็เห็นจะมาดูจิตเมื่อกี้นี้ไม่ก็เห็นต้องฝึกตอนฝึกเนี่ยต้องตั้งใจนิดหนึ่งขนาดที่ตั้งใจเนี่ยนะมันยังไม่ใช่ไม่ใช่สติที่เป็นเขาเรียกเป็นอัตโนมัติมันจะต้องฝึกเวลาเราเห็นว่าเมื่อกี้นี้มีราคะเนี่ย มันไม่ได้เห็นว่าหน้าหลวงวุฒิเป็นยังไงจิตดวงที่เห็นหน้าหลวงวุฒิเป็นยังไงเนี่ยนะมันมีราคาก็จริงนะแต่มันไม่ได้จําราคะมันจําหน้าหลวงวุฒธจิตดวงนี้ทาให้เห็นหน้าหลวงวุฒิไปเห็นหน้าคุณสุมเมธมันก็จําหน้าคุณสุมเมธมีราคาเหมือนกันแต่ไม่ได้จําราคะจําว่าหน้าคุณสุมเมธกลมๆหน้ารักดีเน <c oughs> <c oughs> ี่ยคุณแอร์เห็นด้วยใช่ไหม <c oughs> ถ้าไปเห็นคนนี้ใส่ชุดสไปเดอร์แมนน่ารักก็เกิดราคากับเด็กคนนี้อนีนะจะเกิดราคะได้เรื่อยๆหน้าเปลี่ยนได้ราคะเหมือนเดิมก็จริงแต่ไม่ได้จำราคะเลยจำหน้าคนนู้นก็น่ารักคนนี้ก็น่ารั ก, นน ก, รกแต่ถ้ามีจิตที่ไปเห็นว่าเมื่อกี้มีราคะเนี่ยมันไม่ได้จำหน้าหลวงพุฒิมันจำว่าราคะเป็นยังไงแล้วจิตอีกดวหนึ่งมาเห็นหน้าคุณสมเพศเกิดราคะ จิตที like the are. Ça, ่มีสติก็มาดูราคะเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นก็จําว่าราคะเป็นยังไงไม่ได้จําว่าคุณสุเมธเป็นยังไงไม่ได้จําว่าลุงบุธเป็นยังไงมันจําราคะมันมีประโยชน์ยังไงจิตที่จําว่ามีราคะเมื่อเห็นว่ามีราคะเมื่อกี้เลยนะทุกครั้งที่มันดับเนี่ยนะมันจําเหมือนที่เห็นลุงวุษก็จําหน้าลุงวุษเห็นคุณสุเมธก็จําหน้าคุณสุเมธ แต่จิตที่เห็นว่ามีราคะเนี่ยมันจําว่าเมื่อกี้ราคะเป็นยังไงเวลาเห็นอย่างเงี้ยนะเห็นครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยนะจิตก็ยังไม่ค่อยจําเหมือนกับว่าเวลาโยมเจอกันเองเนี่ยถ้ามาเราเราไม่รู้จักกันเลยนะนะนะเจอกันทีหนึ่งเขาบอกชื่อมาตอนเย็นมาเจออีกทีลืมไปแล้วเข้าใจไหมต้องเจอกันบ่อยๆเจอกัน3วันเนี่ยยังพอจํากันได้ไหม จำกันได้เหมือนกันนะแต่บางทีอีก5วันมาเจอบางทีลืมฉะนั้นมันจึงต้องแงะบ่อยๆแงะมาดูบ่อยๆว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตทีนี้คนที่มีราคะบ่อยถ้าเห็นบ่อยๆมันก็จะจำว่าราคะเป็นยังไงบ่อยๆแต่อาจจะเกิดราคะกับใครหลายคนก็ได้เข้าใจไหมเกิดราคะกับใครหลายคนก็ได้ เกิดไปแล้วก็มีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้มีราคะคนที่โกรธก็ไปเห็นคนนูน้นคนนี้แล้วก็โกรธโกรธได้แต่หันมาดูสัหน่อยว่าเมื่อกี้มีความโกรธเกิดอยู่จิตมันจะจาลักษณะของความโกรธตรงนี้เรียกว่ามันทำมันทำหน้าที่ของมันเองพอจำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัญญาจาบ่อยๆจนกระทั่งมันพอเขาเรียกว่าธิระสัญญา ทำความเคยชินที่จะแงะดูเนี่ยบ่อยๆพอเกิดทิระสัญญาขึ้นมาจิตดวงนี้มาเห็นหน้าหน้าใคร ด, ดีหน้าพี่นิดหน้าพี่นิดรู้จักพี่นิดไหมหนั่นน่ะนั่งอยู่นั่นอ่ะเกิดอะไรดีเกิดราคะนั่นแหละเกิดราคะอีกแล้ว พ, พี่นิดเนี่ยโหเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ใจดีเมื่อกี้เกือบหลุดว่าคนแก่แล้วนะ สารภาพอุ๊บไปทันแล้วอป๊บผู้ใหญ่ใจดีแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจดีหน้าไปคุยดูสิยิ้มง่ายอะไรงี้ยอยากจะเข้าไปคุยนี่ก็คือราคะแต่ราคะครั้งเนี้ยเกิดกับคนคนใหม่แต่เป็นราคะตัวเดิมจิต ด, ดวงนี้เนี่ยนะ ที่เราเคยเก็บข้อมูลว่าราคาเป็นยังไงข้อมูลว่าราคาเป็นยังไงมันมีอยู่ในข้อมูลมก็เรียกอยู่ในอะไรอยู่ในฐานข้อมูลนะดัตต้าเบสใช่ไหมเก็บไปแล้วเนี่ยพอพอมันเต็มพอมันเป็นทีระสัญญาขึ้นมาเนี่ยนะพอเห็นหน้าพี่นิดแล้วเกิดราคาคราวนี้ไม่ต้องตั้งใจแงมีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยแหละที่มันไม่ได้ตั้งใจแงแล้วมันเห็นโดยไม่ต้องตั้งใจนะเรียกว่า ขณะนั้นเกิดสัมมาสติแท้ๆไม่ได้ตั้งใจดูตอนตั้งใจดูเนี่ยกำลังทำกรรมทุกครั้งที่มีเจตนาทุกครั้งที่มีเจตนาขณะนั้นกำลังสร้างกรรมเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเจตเจตนาหังกกรมมังว่าทามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมถ้ามีเจตนาเมื่อไหร่ขณะนั้นกำลังสร้างกรรมถ้าสร้างกรรมวงจรปฏิจจสมุปบาทก็คือ มีกรรมก็เกิดภพมีภพก็เกิดชาติมีชาติก็เกิดชรามรณะทุกโทมนตโศกปริเทวะครบครบวงจรทุกครั้งที่ทำกรรมทุกครั้งที่ทากรรมนะจะเกิดภพแต่เบื้องต้นต้องทำก่อนพระรทธเจ้าทรงแสดงกรรมไว้สี่แบบเคยได้ยินไหมกรรมดำให้ผลดำ เข้าใจัหยกรรมน้อยมโนนำคือพวกทอาอกุศลนะกรรมขาวให้ผลขาวคือกุศลกนะ็คื อ, คอทำแล้วได้วิบากที่หน้าหน้ายินดีกรรมอย่างที่สามกรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาวยกตัวอย่างได้ไหมเช่นให้ของที่ เสียเสียไม่มีคุณภาพให้โดยไม่ไม่เต็มใจหมานี่นะนี่แลยวว่าตอนให้ก็เป็นการให้ทานแต่ความไม่เต็มใจเป็นอกุศลไม่ดีมันก็มีทั้งดําทั้งขาวให้ผลก็ทั้งดําทั้งขาวก็อาจจะเกิดมาเป็นคนแต่หน้าย่นยน่นประมาณนี้นะไม่รู้หมาพันปักมันทําบุญอะไรมาหน้าย่นเดี๋ <c oughs> นี้มี กรรม่อย่างที่สี่พออาจจะมาอ่านตรงนี้เนี่ยนะซึ้งใจในปัญญาของพระพุทธเจ้ามากเลยเราจะนึกถึงกรรมอย่างมากก็แค่สามอย่างนี้ถ้าอย่างที่สี่จะถามโยมว่าเป็นยังไงทำกรรมอะไรกรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวคืออย่างที่สี่ เราพอนึกชื่อออกใช่ไหมพอเราผ่าน3ามข้อเนี่ยพอพอเดาได้ว่าข้อที่4ี่คือกรรมไม่ดําไม่ขาวให้ผลไม่ดําไม่ขาวคือผลไม่ดําไม่ขาวก็คือให้ถึงนิพพานพ้นจากทุกไปไม่เกิดน่าอัศาจรรย์ตรงที่ว่าท่านอธิบายดีนะน่าอัศาจรรย์ตรงที่ท่านอธิบายว่าทํากรรมเพื่อพ้นกรรมเบื้องต้นก็อย่างที่บอกว่าเราต้องฝึก ขณะนั้นกำลังทำกรรมถ้าเรียกง่ายๆคือทำกรรมฐานทำกรรมฐานทำสมถกรรมฐานบ้างวิปัสสนากรรมฐานบ้างตอนนี้ทำกรรมแต่เป็นกรรมเพื่อพ้นกรรมแต่ถ้าทำบุญหวังเป็นเทวดาอันนี้ทำกรรมเพื่อเวียนเกิดเวียนตายอยากได้นี้สิ่งของสิ่งนี้แล้วหาเงินมาซื้อเองไม่ได้ขโมย นี่ทำกรรมดำก็เวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าเกิดในอบายในที่ท ก, กติทำทั้งดำทั้งขาวก็วนๆไปได้สุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างวนไปแต่กรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวคือพ้นจากทุกพ้นจากกรรมอันนี้คือมาฝึกมาฝึกทำสมถกรรมฐานบ้างวิปัสสนากรรมฐานบ้างที่ว่าต้องบ้างเนี่ยคือว่าวิปัสสนาเนี่ย ทำตลอดไม่ได้วิปัสนาเนี่ยน ะ, จะเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้มาจเจริญวิปัสนาได้ทั้งวันเลยเนี่ยอย่างนี้ชักเพี้ยนละมันจะมีการพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสนาเราฝึกสติเนี่ยนะกำลังทํากรรมด้วยเจตนาเจตนาแงะไปดูเมื่อกี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นเจตนาอยู่นะแต่เจตนาเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เกิด ทิระสัญญาพอทุกครั้งที่เห็นว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จําจําไปแล้วนะพอจําไปแล้วเนี่ยพอสัญญามันครบเต็มเต็มเมื่อไหร่ยังไม่รู้ <c oughs> ไอ้แบตเตอรี่ในโทรศัพท์เรายังมีขีดบอกใช่ไหมเมื่อกี่เม็ดกี่เม็ดใช่ไหมแต่ไอ้สัญญาในใจเราเนี่ยมันไม่มีบอกมันจะมาตอนที่เราเผลอๆหรือว่าไม่รู้ตัวคือเต็มแล้วพอมัน เคยฝึกท <owad> <an> ี่จะแงะดูรู้อยู่บ่อยๆจนเคยชินสร้างความเคยชินใหม่ขึ้นมาเคยชินเดิมคือเผลอไปมองเผลอไปฟังเผลอไปคิดเคยชินใหม่คือคิดเผลอแล้วรู้คิดแล้วรู้ใจไหลออกไปแล้วรู้ใจเพ่งอยู่ก็รู้กำหนดอยู่ก็รู้กำลังทำตั้งท่าอยู่ก็รู้ประมาณนี้นะเผลอผิดรู้สิ่งที่ผิด รู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆนะมันจะจำจำลักษณะของสิ่งต่างๆที่ผิดไปบ่อยๆอยผิดอะไรไบ่อยก็จําสิ่งนั้นบ่อยผิดไปโกรธบ่อยรู้ว่าโกรธก็จําลักษณะของโกรธได้บ่อยผิดว่าราคะราคะบ่อยรู้บ่อยก็จําลักษณะของราคะ <m Luca> บ่อยๆจิตมันไหลไปบ่อยๆรู้ทันว่าจิตมันไหลไปก็จะมีความจําลักษณะของความไหลของจิตได้บ่อยๆจนมันเต็ม เราจะไหลไปแล้วก็รู้ทันโดยอัตโนมัติมีราค ะ, ะรู้ทันโดยอัตโนมัติตรงนี้ไม่มีเจตนาตอนอัตโนมัติด้ยนะไม่มีเจตนาแล้วมรรคผลจะเกิดเฉพาะตอนที่ไม่เจตนาเพราะมรรคผลมันเป็นขั้นตอนของโลกุตระพ้นจากโลกถ้ามีเจตนาอยู่ยังมีอยู่ในภพเจตนาเป็นตัวกรรม ทำให้เกิดพบถ้าไม่เจตนานั่นแหละจึงจะไปสู่การพ้นจากพบไปออกนอกพบก็คือโลกุตระเข้าใจมแต่จะแกล้งไม่เจตนาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นงานของเราก็คือฝึกแงะดูฝึกรู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นส่วนตอนที่มันจะพอดีเต็มแล้วก็เกิดอัตโนมัตินะอย่าไปแกล้งทำมันจะเป็นกัมันเอง หน้าที่ของเราคือฝึกรู้ฝึกดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรือว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับกายถ้าไม่รู้ใจมารู้กายก่อนให้มันเป็นเป็นที่ตั้งเอาไว้ก่อนแล้วจิตไหลไปรู้จิตไหลไปรู้ไหลไปหลไปแล้วก็ไม่รู้มันเกิดกิเลสแล้วก็รู้กิเลสเอางี้นะพอได้นะแล้วก็ไปทำตัวอย่างให้ลูกดูลูกตื่นมาฉี่แล้วเห็นเรานั่งสมาธินะ่าเจ๋งมากเลย <laughs>